พระธรรมเทศนาแผ่นที่7จบลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่23มกราคม2 5 5 8 ม, ม, ม, มีชื่อเรื่องว่าสร้างเจดีหลวงตาศรัทธาต้องมาที่หนึ่ง วันนี้เป็นวันที่23มกราคมพุทธศักราช2558เมื่อวานวันที่22หลวงพ่อกับพระในวัดของหลวงพอ่อได้เข้าไปร่วมประชุมที่สาากลางจังหวัดมีท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนพวัฒน์สิงศดา เป็นประธานและก็มีพระสงฆ์ที่เป็นสิทธิ์ญาณวิสิทธิ์ขององค์หลวงตาและก็มีหลวงพ่อสุดใจเจ้าวาดวัดป่าบัานตาดแล้วก็มีพระมากอยู่แต่ศรัทธา ย, ยอดโยยมเยอะเมื่อวานแต่ในห้องห้องประชุมใหญ่เสร็จแล้วก็ได้พูดปรบเรื่องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา มีทางสำนักพระราชวังกลุ่มของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงกลุ่มของพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรที่เป็นบุตรของฟ้าหญิงที่เป็นหัวหน้าเกี่ยวกับการออกแบบพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาท่านกระรงคนของทานมาสามคนเมื่อวานนี้ <c oughs> มาร่วมฟังแล้วก็พวกฝ่ายเราเนี่ก็มีท่าน อดีตผู้วาราชการจังหวัดท่านอำนาจประกาศแล้วก็ท่านรองผู้ว่าท่านสมเกียรติการจะนะเป็นผู้ใหญ่หลายคนแต่กับหัวหน้าส่วนราชการมีโยธามีทางหลวงมีตำรวจครอบเมื่อวาเนเพราะาเราจะได้หาหรือกันทุกระบบในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา ก็เมื่อวานก็ปเป็นไปได้วยความเรียบร้อยในระดับรึงแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นวันที่สิบเก้าพฤศจิกาก็มีการประชุมกันนี่แหละว่าคราวก่อนเราก็ประชุมกันหลายหลายครั้งจนกว่าเกือบจะได้วางจนได้วางสิิเลิกระลักขาวนะั้นี่ว่าจะสร้างแ ล, ะละ้วล่ะแต่สิทธิยาวนั้นสิทธิมีความคิดเห็น แ, แตกต่างกันกนกเลยย้ายสถานที่ พอย้ายสถานที่ท่านก็นออกแบบใหม่พอออกแบบใหมก่ก็ทำทำให้ล่าช้าขึ้นมาบ้างแต่ก็แบบแปลนก็จยนจะเสร็จแล้วท่นเอก็มาอีกประชุมอีกรอบที่สองท่าคือจะเปลี่ยนสถานที่ใหม่มาสร้างที่เจดีตรงใหม่มีการประชุมสองครั้งครั้งแรกก็คือวันที่19พฤศจิกาห้าเ แล้วก็วันที่22มกราห8ามีการประชุมสองครั้งแต่ก็ยังท่านยัเคิดอยู่ว่าคงจะมีการประชุมทุกสองเดือนท่านที่ท่านผู้ว่าประกาศเมื่อวานนี้แต่หลวงพ่อว่าคงจะห่างไปห่างไปมั้งสองเดือนแต่ตามไม่จริงกลุ่มย่อยพวกกลุ่มย่อยน่าจะประชุมกันทุกเดือน แล้วก็พอประชุมประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็จึงหาหรือกลุ่มใหญ่อีกสุกสองเดือนถ้าทั้งกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่ประชุมกันสองเดือนจะช้าไปหลวงพ่อว่านะเพราะกลุ่มย่อยเนะี่ยใครๆจะผักดันยังไงจะทํำยังไงใครๆว่ า, า, า, าเนื้อเรื่องหรือว่าที่เราจะดําเนินการทํำยังไงการวางแผนการงานแต่มีการประชุมหาหรือหลวงพ่อก็ให้พระ ครูบาอาจารย์ให้หลวงพ่อก็บอกท่านผู้ว่าว่าเออเอาท่านผู้ว่าอาตมาเป็นฝ่ายพระสงฆ์อาตมารู้ว่าองค์ไหนที่จะแสดงความคิดเห็นได้อาตมาจะชี้ให้องค์เป็นองค์องค์ไปนะถ้าว่าเมื่อจบพระสงฆ์แล้วก็ยังค่อยทางฝ่ายบ้านเมืองจะให้ท่านผู้ว่ า, าชี้ ทางฝ่ายบ้านเมืองแสดงความคิดเห็นหลวงพ่อก็เลยชี้ให้พระทางฝ่ายพระสงฆ์มีหลวงปู่เลิมมีท่านชินมีท่านกอบไผ่มีท่านาบุญมีหลายองค์แล้วก็มีฝ่ายที่ไปกับหลวงพ่ออีกหลวงตาในคมหลวงตาสมบัติเป็นผู้แสดงความคิดเห็น แก่เต้าฟังดูแล้วอืมล้วนแล้วแต่มีสาระประโยชน์ถึงจะพูดไม่มากแต่ก็มีความออกมาในใจคือความออกมาจากในใจใจจริงออกมาแสดงเพื่อจะให้อยากจะเห็นอยากจะเห็นเจดีของหลวงตาขึ้นมาเป็นไปได้วยความเรียบร้อยราบรื่นจากนั้นท่านผู้ว่ากั ให้ทางบ้านเมืองแสดงความคิดเห็นมีท่านผู้ว่ารองผู้ว่าอดีตผู้ว่าแล้วก็ประชาชนข้หาบดีแสดงความคิดเห็นเป็นบางกลุ่มจากนั้นก็สรุปแต่เมื่อวานในหลวงพ่อก็สรุปจุดท้ายหลวงพ่อบอกว่าใจดีของหลวงตาเนี่ยในความเห็นของหลวงพ่ออาจจะพูดไปอาจจะเป็น เข้าป่าเข้ารกไปสักหน่อยพูดแบบพระป่าแต่ว่าความจริงจังและจริงใจในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้แบบธรรมชาติหรือว่ากฎที่เราจะต้องพิจารณาดูแล้วหลวงพ่อว่าการตั้งคณะกรรมการหรือที่ปรึกษาอะไรก็ตาม ดูๆแล้วมันเป็นบัญชีหางว่าวยาวเฟ้ยทีเดียวแต่ถ้าหาว่าถ้า อ, อ, อันนั้นก็เราก็ไม่ว่ากันอนะพอวันโลกเขาทำเป็นอย่างงั้นเหมือนกับออทอดภาพ <c oughs> ปา่ากรถิ่นนี่นต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอะไรยาวแต่การสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยถ้าเราจะใช้ระบบนั้นทีเดียวมันจะ เตตะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าการที่จะสร้างเจดีของหลวงตาเนี่ยต้องประกาศต้องประกาศหาผู้มีศรัทธาเนี่ยหลวงพ่อว่านะว่าเพราะว่าท่านเหล่านั้นถ้าเราตั้งชื่อไว้ตั้งชื่อไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วคนที่ไม่ไม่มีชื่อละไม่มีเกียรติประวัติเหรอ พอบางคนผู้ที่มีชื่อเนี่ยมันก็บางทีอาจจะออกเสียสระปัจจัยน้อยกว่าคนที่ไม่มีชื่ออีกต่างหากเพราะนั้นเราจะทำยังไงในจุดนี้หลวงพ่อว่าน่าจะพวกเราน่าจะร่วมกันคิดใครเป็นวิจศวะที่จะดูแลเรื่องนี้ได้ แต่อันดับแรกต้องประกาศหาผู้มีศรัทธาเสีก่อนนั่ศรัทธาตัวนี้นะ ต, ต้องมาก่อนผู้วิศวะมีศรัทธาสถาปนิกมีศรัทธาการเงินที่จะมาดูแลเงินเกีเก่ยวกับการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ควบคุมการเงินมีศรัทธาและผู้ที่มาเกี่ยวข้องที่เขามาเกี่ยวข้องทั้งหมดจะตั้งแต่งตั้งใครก็ตามมีศรัทธานะ คำว่าศรัทธาคำนี้จะต้องมาก่อนถ้าว่าไม่มีศรัทธาโอ้ยผมมาทํางานจุดนี้ก็เพราะว่าผมเขาขอร้องให้ผมมาผมก็ทําไปอย่างนั้นแหละพอทําขึ้นมาแล้วกันนั้นปัญหาเกิดขึ้นบาเนี่เดี๋ยวกับทะเลาะบอกแฟ้งกันในกลุ่มศรัทธาไปในกลุ่มวิศวะกลุ่มการทํางานหลวงพ่อว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าการ สร้างเกีรีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยน่าจะถอดหัวใจออกมาวางทุกคนที่ลงมาลงมาลงมาทำงานหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบกับทีมฟุตบอลที่ไปเตะฟุตบอลที่มาเลเซียที่ชนะมาคราวที่แล้วเน่หลวงพ่อบอกว่าเนี่ยประเทศไทย บอกให้พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยยกให้พวกท่านทั้งหลายเนะี่ยเป็นตัวแทนของประเทศไทย เ, เพื่อไปเตะฟุตบอลทีป่ประเทศมาเลเซียในเมื่อเอตะมาแล้วชนะมาแล้วคนในประเทศไทยกนะ่อนมีหน้ามีตาเอายิ้มแยม้แยมแจ่มใสกันทั่วนหน้านี้ก็เหมือนกันะเจดีของหลวงตานะ พวกเราน่าจะคัดสรรหาผู้มีศรัทธาและก็วิศวะสถาปเนิกผู้ที่มาทํางานให้มาร่วมกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาให้ทํางานเหมือนกับเนี่ยใครกลุ่มพ่อก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าใครจะเป็นโกใครจะเป็นแบ็คใครใครจะเป็นปีกซ้ายขวาใครจะเป็นกองหน้า ในเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น เ, นเอาให้พวกท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนจิตญาณุสิทธิ์ของเราจิตญาณุสิทธิ์ของหลวงตาให้ทํางานสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เนี่ยถ้าว่าท่านไม่พร้อมท่านที่ระบุชื่อไปก็เถอะท่านต้องออกนะลาออกเลยเอไม่ต้องเกงใจเพราะท่านไม่พร้อมการเงินทางครอบครัวผมค่อนแคร์ครับผมทําไม่ได้หรือว่า ผมไม่พร้อมที่จะทำงานสุขภาพของผมไม่ดีก็ลาออกเลยบอกออกเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาหลวงตานี่มีมากเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเราจะเอาคนอื่นเข้าไปแทนท่านไม่ต้องเกรงใจผู้ที่ให้เราตั้งขึ้นไปให้ทำไปทางานแต่เมื่อเราตั้งแล้วท่านต้องทำงานด้วยความจงจังจงใจตั้งใจทำงานเพื่อจะให้งานขององค์หลวงตา สําเร็จด้วยดีเพราะรอะไรเพราะหลงตาเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้มีพระคุณยิ่งต่อประเทศชาติท่านทําคุณประโยชน์ยังไงกับประเทศชาติถ้าพวกลูกหลานมาทําน่ยเะเลาะเแหละทะเลาะบวชแว่งกันคนนี้ผลประโยชน์คนนี้ได้หนาคนนั้นได้ตาอะไรเอาไปามากันเลยทํางานไม่เป็นงานไม่น่าจะเป็นอย่า ง, งานั้น เพราะนั้นผู้ที่จะมาทำงานในจุดนี้ต้องถอดหัวใจอย่างที่ว่านะ่ะพวกเราอยู่ข้างสนามนะเลอพวกเราอยู่ข้างสนามเนละเห็นพวกท่านลงไปทำงานพวกเราจะมีแต่ตบมือเชียร์เ อ, เอาอย่างไงถึงานเจดีของลงตานะจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่ถ้ า, าว่าผู้ใดลงไปทำงานแล้วจิกโกเป็นหัวหน้าทีมนะเ่ยก็ต้อง เห็นว่ใครที่แรกกะทำเตะตั้งอกตั้งใจแต่พอเตะไปเตะมาเน่ไม่เข้าตากรรมาการเราก็ควรจะยื่นใบเหลืองให้เตืนอนคุณทำงานยังไม่สมศักดิ์ศรีนะพอยื่นใบเหลืองแล้วยังไม่ปรับตัวขึ้นอีกยื่นใบแดงให้ออกเอาคนอื่นเข้าไปแทนหลวงพ่อห <c oughs> <ๆ>ลวงพ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ งานเจดีของหลวงตาเนี่นะสรุปแล้วก็คือเน้นมหาผู้มีศรัทธาเนี่ยผู้มีศรัทธามันเรื่องมันมันไม่ไม่ไ ม, มากนะแถ้าคนไม่มีศรัทธามันเรื่องเรื่องมากเรื่องยุ่งเรื่องอยากเรื่องมากหลายเรื่องแถ้าคนมีศรัทธาแล้วนะทาอะไรเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาเลยจบเราเสียสละเพียงสามปี 3ปีแต่คราวคราวก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาเพียง30เดือนครับสถาปนิกเขาบอกแต่คราวนี้เจดี์ใหญ่ขึ้นพอคราวคราวก่อนเจดีสูง38เมตรแต่คราวนี้ประมาณ50เมตรทำไมจึงสูงขึ้นเพราะว่าที่ดินมันกว้างแต่ก่อนที่ดินมันแคบตรงนั้นที่เราจะทำทีแรกนะแต่มาอยู่จุดนี้แล้วที่ดินประมาณ ร้อยร้อยแปดสิบเจ็ดไร่เพราะนั้นเราจึงทำให้สูงให้ใ ห, ใหญ่ขึ้นเพื่อความเหมาะสมทางสถาปนิกเขาออกแบบอย่างนั้นเพราะนั้นการก่อสร้างก็คงจะยืดไปอีกอาจจะเป็นสามปีกว่าหรือสีปีนี่แหละถึงยังไงก็ตามผู้ที่ทำงานเนี่ยหลวงพ่อเองอยากจะให้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาให้สําเร็จรูปรวงถ้าเมื่อสําเร็จไปแล้วเนี่ยสร้างเจดีย์ตั้งงานขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกที่กรรมการหรือคณะกรรมผู้ที่เขาไปทํางานนจะภาคภูมิใจขนาดไหนทนี้เราได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาหลวงตาเป็นใครหลวงตาก็บอกท่านประกาศอย่แล้วหนึ่งบอกว่า เราไม่มาเหยียบโลกนี้อีกนะเราไม่มาเหยียบโลกนี้อีกแล้วเราหมดจดจากกิเลสแล้วเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วสแดสแดงว่าท่านหลวงตาของเราคือพระอรหันต์เมื่อเราได้สร้างเจดีพิพิพิธภัณฑ์ให้กับพระอรหันต์บุญกุศลจุดนั้นจะมากขนาดไหนติดภพติดชาติเป็ น, นกี่ภพกี่ชาติ แล้วก็เจดีนี่คือยืนยาวคนทั้งหลายก็ได้มากราบมาไหว้ฝีมือของเราความคิดของเราทนของเราที่เราเสียสลดัดล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลติดพบติดชาตินะคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมลูกหลานนะั่นนี่แหละหลวงพ่อพูดเมื่อวานนะหลวงพ่อตลบท้ายสรุปสรุปในการประชุมเมื่อวานนะี่นี่แหละครั้งต่อไปก็คงจะมีอีกในการประชุมอันนี้คือหลวงพ่อ เตือนกล่าวเตือนให้พวกศิษยานุศิษย์น้องลุงทั้งหลายศรัทธายาตโยมทั้งหลายให้มองไปแนวแถวเดียวกันพราะหลวงตาเนี่ยเป็นผู้ทําคุณให้กับประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวงตั้งสิบสามตันกว่าเงินดอลลาร์ทั้งสิบล้านกว่าดอลลาร์ออมีคนบางคนพวกในคลังเข้ามาพูดว่าหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงถ้าจะเปรียบเทียบกับเงินคงคลังไหน นนิดหน่อยเองหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเอา้าทำไมคุณไม่พูดในช่วงนั้นนะในช่วงนั้นเขาประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองว่าเงินคงค้างมีอยู่สองหมืนล้านเออมีอยู่สองหมล้านเท่านั้นเงินคงค้างเดี๋ยวนี้อยู่ในที่เมืองไทยคราวนั้นแต่ลวงตาท่านหาทองคําเข้าคลังหลวงเนี่ยถ้าคิดดูสิเบบาทละเท่าไหร่ กิโลละเท่าไหร่เป็นเงินออกมาปลาปลาเข้าไปเกือบทั้งสามสี่หมื่นล้านนะคุณยังว่าน้อยอยู่หรอเราจะว่าน้อยอยู่หรอดอลลาร์ตั้งสิบกว่าล้านอยู่ในคลังหลวงออ่ะแต่สมัยเงินเกือบจะล้มทั้งยืนข่าวนั่ะหลุงพ่อทราบว่ามีแต่สองหมืนล้านเอง <c oughs> เงินในคงคลัง <c oughs> แต่แต่มาคราวนี้หลวงตาหาคําเข้าไปอีกเนย ปาเข้าไปทั้งสามสี่หมื่นล้านเนะี่ยมันยังน้อยอยู่เลยนี่แหละผู้ที่ไม่มองเห็นพระคุณเออมันมองอย่างนั้นสรุปแล้วนะเออมันมองมองทางงบให้กับผู้ที่มีพระคุณตามไม่จริงสมัยนั้นก็รู้อยู่แล้วเกือบจะ ล, ล้มทั้งยืนเงินคงค้ังมาอยู่สอง0 0ื่นล้านเออแต่ลวงตาหาทองคําเข้าไปอีกได้ตั้งเออสิบสามตันกว่านะคิดเป็นเงินออกมาเป็นเงินเท่าไหร่ นี่แหละอันนี้ก็คือทำให้เงินบาทมีราคากระดาษเนี่ยกระดาษมีคุณค่านะเพราะว่ามีทองคำเข้าไปค้ำประกันค้ำอยู่ในคลังหลวงนี่แหละอันนี้ก็คือพักคุณของหลวงตาในจุดนี้แหละนึกขึ้นมาเมื่อไหร่เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติยาวนานนานเท่านานไม่ต้องพูดถึงธรรมะธรรมคำสอนของท่านที่ท่านแสดงธรรม แนะนำสั่งสอนลูกหลานให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักศีลสมาธิปัญญาสมรรฐเดินยังไงวิปัสสนาเดินยังไงชัดเจนในทมคำสอนขององค์หลวงตาเพราะนั้นบุญคุณพระคุณจุดนั้นน่ะมหาศาลทีเดียวหรื อ, อแนะนำสั่งสอนให้พวกเราหนีจากภพชาตินี้จาก การเวียน่หยตายเกิดในวัฏสงสารตามแนวแถวของพุท ธ, ธะตามแนวแถวที่ท่านหลวงตาได้พาดาเนินมาสิ่งเหล่านั้นทั้งคดีโลกและคดีธรรมหลวงตาแนะนำสั่งสอนพวกลูกหลานอย่ากพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีพระคุณ เ, เป็นปูชนยบุคคลแล้วก็เป็นผู้ นำในยุคปัจจุบันเพราะท่านได้เป็นมหาทางปริยัตท่านก็รู้ทางปฏิบัติท่านก็รู้ท่านรู้ทั้ทงปริยัติท้งปฏิบั ต, ติจากนั้นท่านก็ได้แนะนําสั่งสอนอยังทำคําสอนขององค์ลุงตาเนะี่ยพวกเราอ่านสินะเออเป็นพออ่านเข้าไปทศึกษาเข้าไปแล้วคำทำคาสอนของลุงตาเนะี่ยทันสมัยนะเออทันสมัย <c oughs> แต่เมื่อวานกุหลวงพ่อได้พูดแล้วล่ะพูดตรงเน่แหละแต่วันนี้เมื่อประชุมมาแล้วนะหลวงพ่อก็ได้ย้ําอีกในย้ําในที่ประชุมพอย้ําในที่ประชุมแล้ววันนี้ก็มาย้ําที่วัดของหลวงพ่ออีกผู้ที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยประกาศหาผู้มีศรนะัทธาคนที่ไม่มีศรัทธานะไม่ได้นะทําอะไรไม่สําเร็จหรอกอย่างพวกเราเห็นไหม ทำอสันตานะที่ประเทศอินเดียถ้าพวกเราไปเห็นนะพวกเราจะซึง้งโอ้โหคนสมัยนะั้นเขาทำไมถึงทำได้ขนาดนี้วะฮะเขาทำด้วยฝีมือจริงๆแล้วเครื่องไม้เครื่องมือสมัยนะั้นเราก็ไม่เห็นพอเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นเขาก็คงจะใช้ค้อนกระเล็กนะมั้งต่อยไปเรื่อยๆแต่ทาไมจึงดููแล้วทาไมมันเกลี้ยงเาทำได้ดีจริงๆทําไม่ว่าศรัทธาแล้วจะว่าอย่างไง อถ้าคนโคลโคลโซถ้าม่มีศรัทธานะมันเป็นไปไม่ได้เลจะทําอย่างนั้นไดนะ้ถ้าคนมีศรัทธาทั้งนั้นนะเ อ, อแต่ศรัทธาของเขาเนี่ยทำไมมันยืดยาวเหลือเกินนะ อ, อถ้าคนนี้มีศรัทธาใช่ไหมหลวงพ่ออินมีศรัทธานะแต่ในลูกน้องหลวงพ่ออินเนี่ยไม่มีศรัทธาเลยมดอีกเหมือนกัน่ะแต่หลวงพ่ออินเนี่ยทไมเก่งขนาดนั้นหว่ปล่อยให้ อ, อถ่ายทอดให้ลูกน้องคนที่สองมีศรัทธาลูกน้องคนที่สองปล่อย ปูกฝังอุปนิสัยที่สามที่4ีที่5ต้องเป็นเขาว่าเป็นพันปีนะที่สราา้างทำอสันตานะอย่างที่พวกเราไปเห็นหลวงพ่อไปเห็นซึ้งนะซึ้งในศรัทธาซึ้งในแนวความคิดเาจาะก้อนหินให้เป็นถ้มแล้วก็มีมีพระพุทธรูปมีที่พักอยู่ในในถ้ำนั่นเองไม่ใช่ถ้าเดียวนะยาวเยียดอีกต่างหาก เนี่นอันนี้เลยสรุปแล้วก็คือศรัทธาเ น, นี่ยการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาหุวงพ่อนะถ้าว่าพวกเรามีศรัทธาอย่างนั้นอ่ะเออเอาหัวใจเมาวางสร้างโดยศรัทธาทุกอย่างจะเรียบร้อยะจะไม่มีปัญหาตามมาถ้าว่าคนไม่มีศรัทธาเนี่ยปัญหาเยอะนะอับพร <c oughs> ประสงค์อนุมโมทนาให้พร